พระบัญญัติ280รก็ภิกษุใดเข้าไปนั่งแทกแซงในตระกูลที่มีคนสองคนต้องอบัตปาจิตตีเรื่องพระอุปนัน t h ศักยบุตรจบ